ภาคปฏิบัติการทุกมีทุกมาอย่าเสียท่าเอาใจรับแต่จงเรียกปัญญาให้มาจับเอาทุกไปจัดการเมื่อจะพัฒนาความสุขก็ต้องไม่มองข้ามคำว่าทุกเรารู้อยู่ชัดๆว่าทุกนั้นก็มีอยู่เหมือนเป็นของคู่กันแต่ตรงข้ามกับสุข เมื่อทุกเป็นของจริงที่มีอยู่เมื่อมองจะเอาความสุขก็ต้องไม่มองข้ามความทุกข์คือมองอะไรก็ต้องมองให้ครบมองให้เต็มตามองตามความเป็นจริงไม่ใช่หลีกหลบสายตาแล้วก็เลยไปค้างคาอยู่ในใจยิ่งกว่านั้นถ้าบอกว่ามีความสุขแต่ยังมีทุกอยู่ก็เป็นสุขแท้สุขจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าพัฒนาความสุข ก็หมายถึงลดทุกข์หมดทุกข์บำราดทุกข์หลอดทุกข์ดับทุกข์ได้ไปด้วยดังนั้นเมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี้ก็อาจพูดอีกแนวหนึ่งโดยเอาทุกข์มาแทนคําว่าสุขกลายเป็นกระบวนการดับทุกข์ก็อันเดียวกันนั่นเอ ง, งแต่อันนี้เด็ดขาดกว่าเพราะว่าในกระบวนการดับทุกข์นั้นไม่ว่าจะสุขแค่ไหน ก็ต้องให้ถึงขั้นไม่มีทุกข์เหลืออยู่เลยจึงจะจบจึงจะครบเต็มความหมายถ้าบอกว่ากระบวนการพัฒนาความสุขก็เป็นปลายเปิดเรื่อยไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายด้วยเหตุนั้นเมื่อว่าตามหลักวิชาท่านจึงใช้สำนวนนี้หรือในแนวนี้ว่าเป็นการดักทุกข์อย่างไรก็ตาม มี nga ที่ต้องพูดเพิ่มเติมให้เข้าใจชัดขึ้นอีกว่าคำว่าดับทุกที่ถือว่าแปลจากคำพระว่านิโรดนั้นได้แฝงปมปัญหาในทางภาษาเอาไว้ด้วยคือปมความไม่ชัดที่อาจจะทำให้เข้าใจเขวกล่าวคือเวลาเราพูดว่าดับทุกจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าทุกมีอยู่มีอยู่เราก็ค่อยดับค่อยดับ เราก็เลยจะต้องคอยดับทุกข์กันอยู่เรื่อยไปความจริงนั้นนิโรธในภาวะที่แท้มาถึงการไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือภาวะที่ทุกข์ปราทัดไร้หายหมดไปเลยนี่คือความหมายที่ต้องการนิโรธในขั้นสุดท้ายก็คือนิพพานจึงเป็นภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีก บางครั้งอธิบายด้วยคำว่าอนุปาทนิโรธก็แปลว่าความดับไปโดยไม่มีการไม่เกิดขึ้นคือดับเด็ดขาดดังนั้นเพื่อให้สะดวกนิโรธแห่งทุกเราก็แปลว่าความไม่มีทุกเกิดขึ้นอีกหรือภาวะไร้ทุกนั่นเองสำหรับในที่นี้ไม่ใช้คำว่ากระบวนการดับทุก หรือหลบภาษาที่ใช้คำว่าทุกและคงจะเพื่อให้สะดวกปากคนไทยหรือให้ถนัดใจคนฟังก็ใช้คำว่าสุขจึงบอกว่าเป็นกระบวนการพัฒนาความสุขแต่ทั้งนี้ก็ให้รู้กันว่าเราไม่ได้มองข้ามเรื่องความทุกขแต่จะว่าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในคำว่ากระบวนการพัฒนาความสุขก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเรื่องความทุกข์ด้วย ในเรื่องทุกนี้ที่พูดมานั้นยังไม่ใช่จุดสำคัญที่แท้ข้อที่มองข้ามไม่ได้จะต้องไม่พลาดจึงต้องย้ำไว้ก่อนก็คือท่าทีต่อความทุกข์อันนี้ต้องชัดถ้าพลาดไปก็จะไม่ได้พัฒนาความสุขนี่ก็คือเรื่องที่พระเรียกว่ากิจในอริยสัจข้อทุกพูดให้สั้นว่ากิจต่อทุกหรือหน้าที่ต่อทุก ตรงนี้ถ้าทำผิดก็พลาดหมดเสียกระบวนตั้งแต่ต้นและคนก็มักจะมองข้ามข้อนี้ไปที่นี้เมื่อจะดูว่าท่าทีหรือวิธีปฏิบัติต่อทุกข์คืออย่างไรในฐานะที่ทุกข์เป็นข้อที่หนึ่งในอริยสัจสี่ก็ควรพูดให้ครบอริยสัจทั้งสี่เพื่อจับให้ถูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่ออริยสัจแต่ละข้อนั้น ขอให้ดูตามลำดับต่อไปนี้หนึ่งทุกสภาพกดดันบีบคั้นเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาหรือสิ่งศัพท์อันมีวิสัยให้เกิดปัญหากิจ ค, คือปริญญาแปลว่ารู้รอบหรือรู้เท่าทัน 2. ส, สมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุก กิคือปหานะแปลว่าละกำจัดทำให้หมดสิ้นไป 3. <า>นิโรธภาวะไร้ทุกข์กิจคือสัจจิกิริยาแปลว่าทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์ทำให้เป็นจริงขึ้นมาหรือให้ได้ให้ถึง 4. มัควิธีปฏิบัติให้ถึงภาวะไร้ทุกข์กิจคือภาวนาแปลว่าทำให้เป็นให้เกิดให้มีจเจริญปฏิบัติหรือลงมือทากิจต่ออริยสัจสี่นั้นวารานี้มีใช่โอกาสที่จะอธิบายเพียงแต่ให้รู้ตระหนักไว้ต้องถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง กูกับตัวอริยสัตร์เองทีเดียวเพราะถ้าปฏิบัติต่ออริยสัตว์ไม่ว่าข้อใดผิดหน้าที่การที่จะก้าวหน้าไปในธรรมก็ล้มเหลวหมดความหมายเป็นอันไม่มีทางได้ตรัสรู้หรือเข้าถึงธรรมในที่นี้ย้ำเฉพาะหน้าที่ต่อทุกซึ่งพูดในเห็นหลักเป็นคำบาลีว่าทุกขังปริญญายังทุกพึงปริญญา หมายความว่าทุกเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาพูดให้สั้นอีกหน่อยว่าทุกนั้นสำหรับรู้เข้าใจหรือทุกนั้นสำหรับปัญญารู้อย่างน้อยขอให้เข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเราจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหาจึงจะแก้สาเร็จได้ที่จริงความหมายของทุก ไม่ใช่แค่ที่คนทั่วไปพูดกันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเจ็บปวดกายใจไม่สบายเท่านั้นแต่คือสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำให้เกิดความบีบคั้นได้ในเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ถึงกับต้องเพิญญาให้รู้เท่าทันแต่รวมแล้วก็คือทุกเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ทุกเป็นเรื่องของปัญญา สำหรับปัญญาจัดการให้จบไปไม่ใช่สำหรับเอามาใส่เก็บดองไว้ให้ปูดหรือบูดเน่าอยู่ในหัวใจให้หมดความสดใสเบิกบานพูดให้มันอีกทีว่าถ้าทุกมาก็เอาปัญญาออกไปรับหน้ามันจงเจอกับทุกด้วยปัญญาอย่าเอาจิตใจไปยุ่งกับมันด้านที่คนไทยเรียกว่าอารมณ์นั่นแหละ ไม่ต้องวุ่นวายอย่าไปรับมันมาไว้ให้ใจเราถูกบีบคั้นถ้าใจรับเอามันมาแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้ให้อัดอั้นในใจรีบส่งต่อให้ปัญญาเอาไปหาทางจัดการถ้าเอาทุกมาเก็บอัดไว้ในใจนอกจากไม่ได้แก้ไขมีแต่ทุกปลอบเปล่าแล้วตัวเราก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าส่งต่อให้ปัญญา นอกจากมีทางแก้ไขชีวิตของเราก็จะได้พัฒนาจำเป็นหลักไว้เลยว่าทุกไม่ใช่ธุระของใจแต่ทุก์เป็นธุระของปัญญาใจมีหน้าที่ใช้ปัญญาใจไม่มีหน้าที่เป็นทุก์เจ้าของเรื่องคือปัญญาที่มีหน้าที่แก้ปัญหาดับทุกปัญญาดับทุกได้แถมระหว่างนั้น อย่างสร้างสุขให้ด้วยใจมีหน้าที่ประจักษ์ในความสุขจงพัฒนาใจให้เก่งในการมีความสุขและพัฒนาปัญญาให้เก่งในการแก้ปัญหาดับทุกข์ใจดีต้องมีสุขได้ปัญญาดีต้องดับทุกข์ได้แต่ใจจะดีมีสุขจริงแท้ก็เมื่อมีปัญญาดับทุกข์ให้หมดไปสิน้น เป็นนั้นว่าต้องทําให้ถูกต้องปฏิบัติให้ตรงตามกิจต่ออริยสัจถ้าเจอทุกไรเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทําจิตใจให้คับแคนหมวกมุ่นขุนมัวเศร้าหมองนั่นคือทําหน้าที่ต่อทุกไม่ถูกปฏิบัติผิดหน้าที่แล้วต้องหยุดแล้วหันไปทําให้ถูกเอาปัญญามาจัดการอย่างที่ว่าไปแล้วนั้น ส่วนความสุบนั้นไปเข้าในข้อสามคือข้อนิโรธแต่อยู่ในขั้นสัมผัสที่จะต้องเดินหน้าต่อๆไปเป็นขั้นๆจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายที่สูงสุดและหน้าที่ของเราต่อข้อนี้ก็คือสัจธิกิริยาที่แปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งเป็นจริงหรือสาเร็จบรรลุถึงควรทำให้ได้ไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยให้เป็นประจำทุกวัน ดังเด็กล่าวแล้วว่าสุขนั้นมีมากมายหลายขั้นหลายประเภทและนี่แหละก็คือเรื่องที่บอกว่าจะได้พัฒนากันต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทางเริ่มออกเดินทางเพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดต้องเริ่มให้ดีเพื่อจะเข้าทางได้แล้วก็เดินหน้าไปอย่างมั่นใจด้วยกัน